ความมุ่งหมายก็เพื่อต้องการรวบรวมจิตหรือความรู้ของเราให้เกิดพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวเราสิ่งที่มาประชุมรวมกันมากความรู้ก็ดีหรือวัตถุ ก, ก็ดีย่อมมีกำลังสิ่งที่กระจายออกไปแยกออกไปแล้วย่อมมีกำลังน้อย อุปมาเหมือนกรนะแสน้แจะสามารถจะไหลมารวมกันจากที่ต่งตางๆแล้วย่อมมีพลังมากสามารถจะพัดพาสิ่งของที่ขีดขวางพาไปได้ชั้นใดก็ดีการรวบรวมทำจิตใจให้สงบโดวยวิธีปฏิบัติภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพลังในส่วนรวมนี้ สามารถกำจัดสิ่งผิดขวางที่พระองค์ไม่ต้องการออกจากจิตใจของพระองค์ได้โดยสิ้นเธิเพอาะอาศัยพลังเคือจิตที่มาพิจมรวมกันเรียกอสมาที่คือจิตจังมั่นเหตุนั้นเมื่อมีผลอนไปจากพระองค์เองได้จงประกาศหลักธรรมการปฏิบัติ ทุก ข, ขัตอบรมจิตเป็นสมาธิหน้าตาั้นดับจนถึงพวกสมัยพวกเราแล้วก็เชื่อมั่นอยากการทำสมาธิหนึ่งคุณค่าในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรามีกำลังสามารถคิดนึกกระทาสิ่งใดก็จะได้สาเร็จสมประสงค์ด้วยอำนาจแห่งจิตที่มีสมาธิเพราะเหตุนั้น การงานทุกชนิดจะต้องความต้องการความมั่นคงต้องการความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิจึงสามารถที่จะเอาไปใช้ในการงานที่เราจะต้องทำใช้พลังความรู้ความสามารถในการงานหนั้น่นเพื่ อ, อลุกลุ่มผลแห่งความสาเร็จเราทั้งหลายจึงได้ตั้งในจิตศรัทธา ศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติอบรมฝึกผลตัวของเราในหลักธรรมรี่แธระทสมาธิจิตภาวนาเพื่อให้รวบรวมพลังจิตของเราให้ไปชุมอยู่อันเดียวกันด้วยอาริยหลักธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งต า, ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ราลึกลมห้ใจเข้าออกก็าตามระลึกพุทธโธก็าตามอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าให้รวมจิตรวมเป็นอันเดียวเรียกว่าเป็นหนึ่งได้ก็เป็นการดีเราเพิ่งสำเน็จระลึกนึกถึงที่เราเคยปฏิบัติธรรมมาแล้วกรรมฐานหมดไหนสะดวกเรื่องเหมาะสมพอดีในจิตใจของเราที่เคยปฏิบัติมาได้รับความสงบได้รับความสุข ด้วยกรรมฐานบทไหนเราก็พยายามตรวจสอบระลึกถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันจะไม่เสียเวลานานเราจะได้สงบก่อนเวลาที่เราจะออกแต่ถ้าเราทําไม่ถูกต้องไม่ได้ใะลรื่องให้เราขอบรัะทานจักเป็นว่าทาลงไปแม้หมดเวลาไปแล้วจิตใจก็ไม่ค่อยจะได้รับความสงบเพราะเราไม่นักสังเกตโดยจิตใจของเรา แท้ที่จรินเนี่ยในจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละบุคคลน่ะมันมีจุดหรือมันมีช่องที่จะทําให้จิตใจของเราแต่ละคนสงบได้อยู่ถ้าเราทําตุกปฏิตเสธสัยของเราเองเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องนักสังเกตจิตใจของเราหรือนักสังเกตเพรเราทําแต่ลักข้างละข้างย่อมมีผลต่างๆกันบางครั้งก็จิตใจของเราไม่สงบ ถ ence, Index, say, technological technological technological heights, ้าเรานักสังเกตจะได้ความรู้ความเฉลาดจากความไม่สงบนั่นเองนํามาปฏิบัติในการต่อไปหรือบางครั้งจิตใจของเราสงบได้รับความสุขความสบายเราก็ได้ประโยชน์จากความสงบอันนั้นแต่เป็นหลักวิชาการของเราหรือเป็นอุบายของเราที่จะนํามาใช้อบรมจิตใจของเราเพื่อจะได้ทําจิตใจของเราให้เป็นไปตามความต้องการคือความสงขของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นความสงบหรือไม่สงบล้วนแต่เป็นครูหรือเป็นแนวทางที่เราจะได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติต่ตอไปท้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเห็นดีว่าสงบอย่างเดียวจึงจะมีประโยชน์ไม่สงบไม่มีประโยชน์ไม่ใช่อย่างนั้นตามหลักแห่งความจริงเรียกวาระยะสัตวแล้ท่านก็ยกย่องเสมอกามัเหมือนกันมีประโยชน์เป็นของจริงทั้งสองอย่าง ฝ่ายความไม่สงบนั้นก็ได้แต่พุกทธสมุทัยเป็นอริยสัจเหมือนกันส่วนความสงบนั้นก็ได้แก่ทางนิโรธธมัมจะเราเน้นอาเป็นอริยสัจมันก็เป็นคูงกันกอยู่อย่างนี้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามข้อสาคัญขอให้เรารู้ขอให้เรามีสติตตามกำหนดรูปทุกเมื่อมันเกิดขึ้นได้ค ว, วามพุทธเจ้าสอนให้เรากําหนดรู้ แตมุติไทยขวานที่กบกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบเราก็พยายามที่จะระบายปล่อยวางด้วยจิตที่เรากําหนดรู้นั้นมันก็เปิดให้เรารู้แล้วเมื่อไม่ไดีแล้วเราก็จะยึดถือพยายามปล่อยวางทีนี้ในส่วนความสงบเขาเชื่อว่าเมื่อจิตสงบแล้วทุกดับไปก็ชื่อว่าเป็นในโรธของอริยจัก แต่เป็ น, น, นในนิยลในชั้นเราปฏิบัติไม่ใช่นิยลธในชั้นสุขแต่เราก็ถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันหรือเป็นช่องทางอันเดียวกันถ้าเราอบรมมีสติรักษาความสงบไปเรื่อยๆจนเป็นพลังจนสมาธิเป็นพลังเป็นอินทรีย์ มีกําลังจนเป็นปัดสิทธิ์สำโพทรงแล้วก็เป็นองค์ที่จะให้สัจโรเห็นอริยสัจเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างอ่อนๆเมื่อเราอบรมมากแล้วก็ย่อมค่อยแก่กล้าประจามันดับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามอันความที่เราสงบเล็กๆ น, น้อยๆว่าจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราพยายามทําด้วยจิตความพอใจแล้วมุกจะได้เกิด ปัญญาโรดถึงความจริงแน่นอนการที่เราสำเหนียดศึกษาตรัสสองจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นมักมีสติก็เป็นมัสทีเราระลึกเพียรพยายามก็เป็นมักเรารู้สึกจิตใจของเราสงบก็เป็นมัั น, นี้จะไม่ได้ถึงวัดสุขกระทุกไม่ได้กล่าวถึงเลยในเรื่องมัแต่เพียงแต่ว่าให้เรามีความเปลี่ยนให้เรามีความระลึก แต่มีความเพียรชอบมีความระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นสอบท่านั้นนั่นก็เป็นมัตต์ไม่ใช่ต้องรู้เห็นแบบชาตนี้ฉาตหน้าต้องมีญาณะลึกฉาตได้สิ่งเป็นมัตตทั้งไม่ได้กล่าวถึงอย่างนั้นเพียงแต่เรามาสังรวมทำการงานให้ชอบผู้ช้าให้ชอบน ล, ลึกให้ชอบ เมื่อทำความเห็นของเราให้ตรงถูกต้องชอบก็เป็นองค์มรรคแล้วจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามและเป็นส่วนสุขก็ตามเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นองค์มรรคเป็นการชอบได้ให้เกิดความรู้เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นการทําสมาธิจําเป็นจะต้องใช้อุบายเรียบคายในจิตใจคือความฉลาดของเราที่เรียกว่า อุตโลบายที่อุบายอันแสนฉลาดที่จิตเราที่ได้ประสบการที่เราได้ประสบจะทำมาบ่อกๆทั้งความเกิดและไม่เกิดวนเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะต้องรอบคอบจะต้องละเอีจะต้องคอยตรวจสอบทั้งเกตจจาไอ้อดีตเป็นแนวทางเราจะต้องปฏิบัติไปเรื่อย ไปฏไิบัติ ไ, ไปเรื่อยมันก็ค่อยสํานานเข้าชำนาญเข้าคล่องตัวจิตใจก็สงบง่ายเมื่อเร า, าสิทธาํานานแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายไม่ควรจะไปมุ่งแต่ให้เกิดความสงบอย่างเดียวเวลาไม่สงบ ก, ก็เกิดความท้อใจไม่มีกําลังใจอย่างนั้นจิตของเราไม่เดินทางไม่สม่ําเสมอ เพราะกาลังใจไม่สม่าเสมอเพราะเหตุนั้นเราควรเข้าใจพยายามที่ทาให้พอดีคำว่าพอดีนี่แหละเป็นสิ่งสิ่งําคัญมากการระลึกใกิพอดีการทำสติเก่พอดีการกําหนดให้พอดี เพื่อไม่ให้เกิดความพุ่งสร้างความรำคาญความสงสัยอะไรในใจทาสารวมในความนั้นลึกพูดสอประสตเพราะมันความรู้มันพอดีอยู่แล้วแต่เราไม่พอดีเองมองไม่สงบความรู้มันก็พอดีในส่วนที่ไม่สงบใ้จริงก็เป็นของจริงเหมือนกันเพราะมันยังไม่สงบมันเป็นของจริงเป็นธรรมเหมือนกัน ทำความสงบเกิดขึ้นมันก็พอดีกับความไม่สงบมันก็เป็นของจริงมันก็เป็นธรรมอยู่เหมือนกันพอในตัวของเรานี่มันก็มีทั้งสองบางครั้งก็สบายในร่างกายของเราบางครั้งก็เจ็บปวดเป็นไข้ได้ปวดบางครั้งเราแก่ด้ก็มีความสุขมีกําลังวังใจนะ่ะโดยธรรมชาติมันก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธรรม เพราะฉะนั้นพัวพุทธเจ้าใบบรรลุธรรมของสิิงก็บรรลุสิ่งที่มีอยู่จริงอยู่นะเราเพียงรับรองของจริงแล้วเราไม่ควรหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ควรหลงของจิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีควรจะรู้เท่าเพราะสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสังขารจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างไรก็ตามล้วนแต่เป็นของจริงคือไม่ไม่เท็จ เพราะฉะนั้นเราจะปราศรนาให้เที่ยงความคิดของเราคล้อยเที่ยงความเห็นของเราคล้อยเที่ยงสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากสังขารธรรมนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเห็นของเราจึงขัดกับความจริงเราก็เลยเห็นึกว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยเราไม่รู้แท้จริงเราไม่ปรับปรุงให้เข้ากับความจริงถ้าเราปรับปรุงให้เข้ากับความจริงที่ความเป็นจริงแล้วมันมีจุดอินมจุดพอ แต่จุดที่เราสงบได้ทุดที่เราสบายได้ถ้ามันเข้าสภาพเขา้ารูปเข้าร่องแล้วมันก็สงบสบายไม่มีปัญหาขัดแย้งกันที่ปัญหาขัดแย้งกันนี่เองแต่ถ้าเราไม่ได้เจอว่าการขัดแย้งกันเสียทีเดียวถือวเป็นดเหมือนไปมีมืดก็มีสว่างเป็นธรรมดา เมร้อนกับเมร้อนเป็นคู่กัน อ, อะไรรู้จักสิ่งที่เป็นธรรมด า, าเราไม่หลงเราก็จะถึงจุดพอจุดมีความสุขไม่หวั่นไหวศรัทธาของเราก็จะถึงจุดตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ ต, ต่างๆแต่เพราะเรากำหนดรู้แล้วเพราะเราชัดแล้วมันจะต้องไม่เคทื่องอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ส่ว น, นความรู้ความเห็นของเราที่ยืนหลักอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สาคัญมากส่วนมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่สังขารเปี่ยมันเปลี่ยนตามปกติธรรมดาส่วนความรู้ของเราเราก็รู้ธรรมดายืนหลักอย่างนั้นสังขารเกิดมากี่ประเทศมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เหมือนกับเราแม้ซึ่งแม่ว่าดวงอาทิตย์ที่มันจะหมุนเวียนไปเที่ยงหมุนเวียน เมื่อแล้วเมื่ออีกสว่างแล้วสว่างอีกก็เศร้าเราก็เพียงแต่รู้เท่านั้นมันก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่เดือดร้อนอะไรเพราะสังขารสังขารที่มันปรงุงทั้งหลายก็เหมือนกันแต่เรารู้ความจริงเนี่ยเราก็เพียงแต่รู้เท่านั้นเมืองไม่ต้องเดือดร้อนถ้าหากว่ามันพอเดืความรู้ของเรามันรอบรู้ในกองสังขารเจอรู้รอบสังขารมาเราก็ไม่หลกมันก็อยู่ในจุดพอเดือพอเงา ไม่หวั่นไหวในสิ่งสังายที่เ ป, ปลียป่ยนไปไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้ ท, ท่านสังหลพยอยามเอ่สัมหนดใช้อุบายให้รู้พอดีในการภาวนาของเราสังเกต ด, ดูให้มันชัดปล่อยวางให้มันพอดีแหละมันก็จะได้ผลที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องนีสจะไม่สับบายพยายามทำให้พอดี